คืสภาพอันส่งไว้ความจริงอย่างได้อย่างหนึ่งทรงไว้อย่างได้อย่างหนึ่งตามภาวะของมันอันนี้แหละคือภาวะของธรรมเราฟังแต่ว่าธรรมธรรมที่เราทั้องอกตั้งใจท่าเรียนศึกษาฝึนฝนอบรมคืออะไรกันเนาะคืออะไรกันหนาะคือเราพยายามจะเจาะลึกเข้าไปถึงหลักของสัตว์จะทำคือหลักของธรรมชาตินั่นเอง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 มีรบราฆ่าฟันมีศิกศัตรูมีคนีขึ้นรอขึ้นศาลอะไรอะไรสารพัดพยายามมาต่อกรกันกับสิ่งเหล่านี้มาขัดแย้งกันมาขัดท้องกันมาต่อกรกันมาต่อสู้กันขึ้นรอขึ้นศาลต้องประหารประหารกันละกันอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยแม้แต่ลัทธิลัทธิที่ว่าลัทธิศาสนาเนี่ยที่พยายามจะสอนคนให้ดีสอนคนให้ดี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 ไม่ใช่หมายความว่ า, วาท่านจะไม่มีหมู่ที่จะแสดงธรรมให้ฟังแต่ภายในประเทศไทยของพระองค์เรงแล้วใครบ้างที่ควรจะได้รับอัดรับธรรมจากพระองค์อางนั้นพระองค์จะมาตรวจสำรวจตรวตราดูนะพุทธกิจพุทธกิจเราไดูดิอ่าพุทธกิจ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 เทาให่หมดรู้หมดอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนสเสด็จไปโปรโดได้อย่างสบายสเสด็จไปโปรโดได้อย่างสบายท่านไปโปรโดคนที่มีบุญมีวาสนาพร้อมที่จะมีกระแสจิตถึงอัตถิธรรมของโปรโดโปรโดก็สเสด็จไปโปรโดไปแบบไม่ต้องถามใครดอกบนทางไปตรงไห น, นตรงไดูเจอโปรดโปรดหมดไม่ต้องมีจีพีเหมือนอย่างพวกเราดอกพระติจ้าท่านดูดิความสามารถของเรา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 หรือได้รูปประชานรูปปรจฉานเนครบรมาจรร ก, กามาแสดงเพื่อโปรดโดยปกติคติตำนานเยี่ยงอย่างอะไรทุกอย่างท่านก็บำรงพื้นฐานไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเมื่อระองค์มันรู้ทำแล้วเนี่ยคนที่พระองค์เห็นว่าควรจะเคลียขี้ฝุ่นในตาแคะเดียวก็สว่าโงโลก็คืออาจารย์ทั้งสองเองอะอนะมาท่ากบาบทอาลรดาบท อาลาระดามบทนั้นพระองค์ไปฝึกได้สมาบัติเจ็ดอุกกะดาบทไปฝึกสมาบัติแปดคำว่าสมาบัติสมาบัตินี่เป็นภูมิลำดับของความสงบของใจมีริทมีเดียมีอภิญญาอ่ารุสีเหล่านั้นอ่ะเขาฝึกมาเป็นเกือบทั้งชั่วอายุเขาได้สมาบัติเจ็ดได้สมาบัติแปพระองค์ไปเรียนจบภายในระยะเวลาไม่กี่วันอาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบแล้ว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 แทนเสวยข้าวเสวนพระปิยานสี่สิบเก้าวันก็นเท่ากับข้าวสี่สิบเก้าก้อนของนางสุชาดานั่นในระหว่างที่ปรองเสวยสุขสี่สิบเจ็ดสี่สิบเก้าวันนั้นอ่ะปรงองทรงทบทวนความรู้ที่ปรองได้บรรลุกมาทบทวนอภิธรรมเนี้ยไขครัวอภิธรรมในเรือนแก้วทบทวนหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทบทวนอีกสารพัด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 รัศมีของพระองค์เปล่งปล่งวันตรัสรู้หนึ่งวันปริมิพานหนัศนีของเอาคงจะเปล่งปล่งด้วยรัศมีภายในพระวรกายคนใช้ไปเห็นแล้อู้แม่เจ้าเทพเจ้าเทวดามาคอยอยู่แล้วนาเนี่ก็เลยผลิตย่อที่เป่าข้าวมัทุพย์ญาติถวายบรรดาให้บาปพระองค์หายนาสยามเลยสวายถวายทั้งข้าวทั้งถาดทองคํามันก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีของพุทธะอี่แหละ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 แตวนี้มีตะายเต็มมีลองน้ำนิดหน่อยเวลาหน้าฝนบางช่วงก็ขาดหน้านี้เนี่ยขาดมีแตมีเต็มมีตเต็มยาวเกือบกว้างเกือกกิโลเหมือนกันนะแม่น้ำานรนา ร, ารัญชราใครไม่เคยไปไปดูแม่น้ำเนรุรัญชาราไปดูที่ที่รอยถ่าไปดูที่ที่พุทธยาใบบรรุษธรรมพุทธยาไปดู <c oughs> องไปเสวยที premises, vanity, ่ฝั่งแม่น้ําหนือนจราแล้วก็ลอย่าหลังจากลอย่าเสร็จแล้วถาเขาก็ลอยโคนกระแสน้ําำถ้าเป็นพวกเรากโคดโหนต้นไม้ได้หละดีออกดีใจสําเร็จแน่แน่สำเร็จแน่แนพระองค์รู้บารมีของพระงเต็มเตี่ยมอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วอืเสร็จแล้วก็ตั้งแต่วันเช้าวันนั้นพระองค์ก็เสวยพระกายานเสร็จเสวยข้าวมันจุปยาเสร็จแล้วก็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 บา ง, บา ง, บา ง, บางตำนานก็ว่าโระเอายากานี่ไปปูนั่งพอหลังจากนั่งเสร็จแล้วก็ตั้งสัจญาทิ่ฐานที่เรียกว่าจาตุรงคมหาประธานกามตาโจนหารูจัติจักอาวสิสติอาวสัสสูตมังสรีระทีวิตัง อาวสอาวสะตสตุภณสรเรอวสัสตุมณีสริเรมัสลาหิตันติยันตังมหพุทธสัตธาเมนะมหพุทธสัตวิตรีนะปฏตบังนะตังอปตวะวิริยส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 เลยบวกกันเป็นสัจจะที่ฐานสัจจะที่ฐานพระองค์ตั้งตั้งอย่างนั้นปับ๊บจิตมันก็มีการประวัติถึงข้างหลังอยู่บ้านเพราะพระองค์าจากบ้านไปจากเมืองเวียงวังไปจากราหุพิมพ์พาไปจากพระเจ้าสุดทโทชนะจา ก, ากพระยาตพระวงศ์จากอะไรจะได้สารพัดไหนจะนึกถึงบ้านถึงช่องถึงเรือนถึงอะไรอะไรอดที่จะคิดถึงไม่ได้ ถ้าเราจะถ้าเราจะคิดแบบบุคคลาธิฐานเป็นงานปุคคลาทิฐานอ่ะถ้าเราจะคิดแบบธรรมมาธิฐานถ้าเราจะคิดแบบปุคคลาทิฐา น, น, า น, นก็คื อ, อบรรดามาณทั้งหลายมาต่อกรกับพระองค์มนะีนางปัญหานางราคานางงาตร ด, ดีอะไรอะไ ร, ะไรมาต่อกรกับรพระองค์เอาชนะตั้งแต่หัวข่ําตั้งแต่หัวค่าเลยไปถึงสี่ทุ่มทำให้พระองค์ได้ได้ญาณญาณทัศนะนะไม่ใช่ฌาน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 ได้เป็นลูกอาสวะข ย, ยัญยานสิ่งเหล่านั้นเหือดแห้งหายไปหมดขยะขยะถึงสิ้นไปอาสวะขยะน้ำน้ำดอกคืออาสวะไปไหนพระไตรปิฎกมันเหือดแห้งไปจากพัคขันส์สันดานของเราด้วย เ, เวที่ยวแรงความอุสาพยายามความภาคความเพียรของโราพระองค์จะได้หลักที่ไหนไปพิจารณาหลักปฏิจะสมุบาทก็ยังไม่มีใครตั้งให้พระองค์พิจารณาหลักอริยสติกยังไม่มีใครตั้งให้พระองค์พิจารณา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 แล้วก็บําเพ็ญอยู่ตั้งหกปีเป็นยี่สิบเก้าเป็นสามสิบสามสิบห้าปีนั้นอายุต้องสามสิบห้าปีและพระอัญญาโกนัญญาอายุเท่าไหร่แก่เท่าไหร่เรามาคิดดูสิถ้าอัญญาโกนัญญาเชี่ยวชาญขนาดไหนทราบว่าพระอัญญาโกนัญญาก็ได้รูปปัสมาบัติอารม ป, ปรสมาบัติด้วยภูมิจิตภูมิธรรมละเอียดลึกจริงมากตรองตาม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 แม้เม็ดหินเม็ดทายอย me, ู่เท่าเดิมของที่อย่อย่างนั้นไม่เคยอยู่ทำงานอยู่ยึ่งยักอยู่ตลอดไม่เคยมีส่วนไหนอยู่ของที่แต่เรามองไม่เห็นทน้นเรามองไม่เห็นเราดูว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นทุกขขังร่างกายของเราเป็นทุกขังเป็นก้อนทุกเป็นทุกขังเราดูไปก้อนทุกขังก้อนนี้มันเกิดในท้องแม่ของเรามันเกิดด้วยอาตมาของ้าไป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 แล้วก็ดูมาที่ใจใเราเราสามารถมองเห็นได้กองทุกข์เราก็มองเห็นได้กองทุกข์ก้อนทุกข์และย้อนมาดูสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเราได้ก้อนทุกข์อยู่ในท้องแม่เกิดมาจากตัณหาจริงใหม่ใจของพ่อของแม่มีความอยากประกอบการเจริญพันธุ์เป็นเหตุให้เราไปเกิดในขันภ์ของแม่ เราแสวงพบแสวงชาติเรามีแต่วิญญาณเราไปาจับจองหารูปรธรรมด้วยกรรมเมื่อเราพอดีพอเหมาะในขณะนั้นตอนนั้นเราก็เข้าไปจับไปจองเป็นเหตุให้ดินน้ํำลงไฟนั้นถูกจับจองด้วยอำนาจของกรรมที่ไปกับจิตของเราทําให้ก้นน้ำํำก้อนนั้นวัฒนาทาวอนเปลี่ยนตัวเอไปเรื่อยนั่นคือก้อนสังขารก้อนแรกชิ้นแรก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 อัญญากณทั ญ, ญาได้ดวงตาเห็นธรรมดยส่งกระแสจิตไปตามลักษณะของของอญญริยสัจทั้งสี่นี้เองความเป็นไปในหลักของอญญริยสัจทั้งสีนี่ยิตของพระอัญญากณที่เข้าถึงกระแสธรรมคือเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังของนัตตาซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินี้เองหลักธรรมชาติที่อธิบายที่ว่าเราไปได้โบัติในกองสังขารในในท้องแม่เราไปจับตรงนี้เป็นต้นประเด็นแล้วเอามาพิจารณาในแง้ของการปฏิบัติ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 สติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ยตัณหาสามารถสงบระงับอยู่หมัดได้ในขณะที่เราเจริญสมาธินั้นแนหะเราพยายามเจริญสติอย่างเต็มที่แท้ที่จริงสติของเราก็จะได้เน้นหนามันของขึ้นจเจริญขึ้นเจริญขึ้นยิ่งเราไปดูในหลักมหาสติปัฏฐานยิ่งเห็นได้ชัดที่พระองค์ท่านทรงสแสดงในหลักมหาสติปัฏฐานท่านพูดถึงเอาสติไปกำกับที่กาย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 เราลองพยายามหันนึกให้เหมือนเราเราเหมือนต้นเสาต้นหนึ่งใครสามารถอย่างได้คนนั้นจะได้ทำได้กัดได้ทำทันทีถ้าเราเหมือนก้อนหินกำหดนดเลือกให้ทําให้ทําตัวเหมือนก้อนหินเรากําหนดลองดูหนดล อ, ล อ, ล อ, ล อ, ลอกทําตัวเหมือนต้นเสาแต่ด้วยเหตุที่เรามีวิิญาณครองมีจิตครองเราจึงมีชีวิตที่มีวิิญาณครองจันกินพันธุ์เทศอยู่เรื่อยๆ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 ใกล้กับปัญญาที่เห็นชอบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งอย่างยิ่งในหัวใจในชีวิตจิตใจของเรานี่เราพูดอะไรเราพูดถึงว่าเราสามารถระงับดับตัณหาได้ยกตัวอย่างว่าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเราเอาสติทมเอาปัญญาทมเอาสมาธิทมนี่แหละมาตั้งเป็นเครื่องระงับดับย้อนไปที่ธรรมจักรซะก่อน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 การเจริญมากอย่างเต็มที่สมุทัยเข้าไปแทรกไม่ได้เจริญมากเข้าเต็มที่สมุทัยเข้าไปแทรกไม่ได้ตัณหาเข้าไปแทรกไม่ได้เมื่อตัณหาแทรกไม่ได้ตัณหาเมืก็สงบระงับเฉยแต่มันไม่ได้เห็นรากเห็นเง่าเห็นต้นต่อเห็นพื้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นท่านจะให้เจริญปัญญาสงบขั้นไหนท่านให้พิจารณนาะขั้นนั้นสงบขั้นไหนท่านให้พิจารณาสงบขันไหท่านให้พิจารณาล้มตาท่าน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 ในเมื่อตัณหามันผ่านไปไม่ได้เมื่อสุขเวทนาเกิดพราะมันยึดปั๊บเกิดตัณหาสุขเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นเต็มไปได้หยวจิตมุขใจของเราทียไรเมื่อไหร่ตัณหาเกิดทีนั้นเมื่อนั้นเพราะเกิดตัณหาปั๊บตัณหามันกระายยึดด้วยเหตุที่มันไม่เกิดเห็นจักจะว่าเห็นความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิด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 ยื่อใหญ่หมดกิเลสตัณหาที่จะไปเกิดหมดอุปทิที่จะต้องไปอุบัติไปเกิดอีกคนนั้นก็ได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ถ้าหากยังมีอุปธิอยู่อย่างสูงสุดได้เป็นพระอนาคามิยังต่ำจุดได้เป็นพระโสดาบันทำยังไงถึงจะได้เป็นอย่างนั้นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพรากเราทํากันมาจนหัวดำหัวงอทําไมจะได้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี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 ใครจะรู้ได้บุญญาบารมีของเรา ส, ส่งเสริมมามากน้อยเท่าไหร่เรามีบุญมีญาบารมีมีอินทรีย์มาด้วยกันทั้งนั้นนะเราอย่าไปตำนตัวเองการตำหนิตัวเองหน<ม>้าเป็นการทําลายโอกาสทําลายประโยชน์ทําลายโอกาสทําลายประโยชน์การที่เราบึ้งบือตั้งอกตั้งใจแก้ไขแก้ขไขแม้จะเฮือกสุดท้ายมันก็ยังเป็นโอกาสสําหรับเราที่เราจะปรับปรุงแก้ไขแก้ไขเ ป, เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยพราะใจเราเริ่มสงบ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 เอวัตอิชิตังปติตังตุมหังที่ประเมวัสมิจชาตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนักรโสยธามนิโชติรโสยธาสัพพิธโยมิวัตชันตุสปโรโควินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีทินกายโกภวะอภิวาธนาสีลิสานิจมุทธาปจายโน